พ่อบรรยายนาซีแล้วได้พูดถึงเหตุการณ์ในสังฆมณฑลตั้งแต่ผสมมาสังขายาสังขายนาถึงสุตติยาสังขายนาจบไปแล้วนะครับผลของการทําสุตติยาสังขายนาทําให้สังฆมณฑลเกิดแตกออกเปแบบ็น18บแนิกายเดียกันซึ่งมีนิกายใหญ่คือนิกายมหาสังขิกะนิกายสารวาตติวาทินนิกายวัชีบุตรแล้วก็นิกายเทระวาทิน นีกายเสาตรันติกะรู้สึกตวาทีก็เลี่ยงนี่เป็นมีกายใหญ่ในจำนวนสิบแปดมีกายนั้นทั้งปิบแปดมีกายต่างก็มีศูนย์กลางวางเจริญซึ่งเป็นอู่ของตัวแต่ละแห่งแต่ละแห่งทั่วอินเดียคือว่ามีกายตวารีว่าไปลุ่งเรีองในแคว้นคันคาราสกับตัดเป็รากส่วนมีกายสุตวาทีลุนิคีนับถือพสูตรเป็นใหญ่ยิ่งกว่าปิดกอื่นนั้นก็ไปลุ่งเรีองใน แควมคตอุตเีและอินเดียภาคใต้มีกายมห า, ามสังกิกะมีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นอมราบดีในพัินาชนบทอินเดียภาคใต้ส่วนนิกายเชราวาทีนั้นมีรากฐานอยู่ในบริเวณแคว้นมคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆ อ, อ, อนครปาตริบุตรนิกายมัชีบุตรมีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นเวสาลี แล้วก็แผ่ขยายออกไปถึงอินเดียภาคตะวันตกถึงแคลิมบูราอาวันตีด้วยเหมือนกันนี่เป็นสถานการณ์กว้างกว่าเกี่ยวกับทั้งหมดทุนหลังจากพระเจา้านิพานแล้วประมาณสองศตวรรษคราวนี้ไม่รอดพอไรเข้าในศตวรรษที่สามปรากฏว่าได้มีศัตรูต่างด้าวต่างแดนยกเข้ามาบุครุกอินเดียผู้เป็นแม่ทัพสําคัญก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์แข่งแคนมาซิโดเนียในประเทศกรีก ย, ยวนี้อนนเล็กซานเดอร์เป็นอรรุรสของเจ้ากรีกซึ่งแต่เดิมก็เป็นเพียงเจ้าของแคนมาซิดเนียในประเทศกรีกกรีกเองก็แบ่งเป็นรัฐเล็กๆน้อยมากมายที่สําคัญก็คือรัฐเอเธนส์กับรัฐสปาปาซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมกับวัฒนธรรมของกรีก รัฐมาซิโดเนียถ้ามองในสายตาของชาวกรีกแท่แล้วยังเห็นว่าเป็นปัจจันตรชนบทแต่เนื่องจากพระเจ้ากริกซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้ า, าเล็กรันเดอร์ได้ทรงท่ายความวิริยะอุตสาหะาสั้งสรรประเทศหรือแบนแว้นของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้าทางแสนยานุภาพในไมช่ช้ารัฐมาซิโดเนียก็กลายเป็นรัฐนาในบรรดารัฐเล็กรัน้อของประเทศกีก พระเจ้าฟิลิสวนรนกศตรกของพระองค์คืออเล็กสันเดอร์มาก็ได้ถูวยร่าอะเลสันเดอร์ได้อาจารย์ดีคือเป็นคนที่ใส่ใจในการศึกษามากทั้งวิทยาศาสตร์ตรัชยาวิทยาศาสตร์และวิทยวิธีต่างๆอะเลสันเดอร์ได้ศึกษามากมายจากบรรดาท่านครูรู้ซึ่งเป็นชาวกรีกอาจารย์อะเลสันเดอร์สำคัญคนหนึ่งคืออริสโตเติลซึ่งเป็นนักปราชญ์ทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางเคมีแล้วก็ หลายอย่างหลายหลายข้ยอดีกันอริ็กตาตนเดอร์เนี่ยอบรมสั่งสอนใหอริ็กซานเดอร์เป็นทั้งนักกรบนักอาตโรศาสต์นักปรชัชญาไปในตัวเสศตศ็ดดีเดียอริ็กซานเดอร์ได้แผ่แสงยานภาพออกจากประเทศตรีตีอัฟริกาเหนือตีประเทศอียิปต์แตกและเข้าข้ามทะเลแดงลงมาขึ้นบุกดินแดนเอเชียไมเนอร์ตีประเทศอิริยาแตกแล้วบุกเข้ามาตีประเทศอาร์เบียข้า ม, มาตีประเทศอิหร่าน คือเปอร์เซียรบกับพระเจ้าดาริยุสซึ่งเป็นจักรพรรดของอาณาจักรอิหร่านโบราณมีชัยชนะและอาร์กซนเดอร์ก็พุ่งออเข้าสู่อินเดียภาคเหนือทางช่องแค่ที่เรียกกันว่าไครเบอร์พัสเดินบุกมาในแคว้นคันธาราตถึงลุ่มแม่น้ําสินธุได้รบกับกษัตริย์อินเดียชื่อพระเจ้าเปโรวะจับพระเจ้าเปโระเปโระวะได้แล้วก็ตรัสถามพระเจ้าเปโรวะว่าก็องค์ต้องการให้ หม่อมชั้นปฏิบัติต่อพรองค์ในฐานะอย่างใดพระเจ้าเปาลวะพูดว่าต้องปฏิบัติต่อหม่อมชันในฐานะของกษัตริย์อะเรสันเดอร์บอกว่าที่จะให้ปฏิบัติในฐานะกษัตริย์น่ะคือปฏิบัติอย่างไรเปาลวะบอกว่าคำว่ากษัตริย์น่ะก็ครอบงาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอแล้วพระเจ้าอะเรสันเดอร์จะชอบพระไายในน้าพระไทยอันองค์อาจของราชสัตรูที่ว่าตตกเป็นเฉลยแล้วก็ไม่ขั้นครามต่อบารณะไย ก็ เ, เลยแต่งตั้งให้พระเจ้าปาลวัคเป็นกษัตริย์ต่อไปตามเดิมแต่อยู่ในฐานะเป็นประเทศราชของกรีซกองทัพองพระเจ้าดิสั่นเรื่อึ่งเป็นฝรั่งกองทัพแลรสีบุกรุกเอเฟียได้หลั่งไหลกันมาเตรียมพร้อมให้จะบุกรุกแคแย่งมรดกในลูกไม่น้ํำองคาต่อไปแต่เพราะบรรดาแม่ทัพในกองและพวกคนทหารไม่ยอมเดินทัพต่อทุกคนร้องว่าคิดถึงบ้าน จากบ้านจากมืองมาหลายปีแล้วทีประเทศดินแดนต่างๆก็กว้างขวางแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กลับสันทีอเล็กซานเดอร์จําประเทศไทยกลับและการกลับไปเที่ยวนี้ก็ไปสิ้นขเชิด้วยยาพิษที่กรุงบาบิโลนในดินแดนเอเชียไมเนอ ร, แ ร, อร์แต่กบฏขอกรีกก็แตกปลายบรนพาแม่ทัพในกองที่อเล็กซานเดอร์ตั้งให้เป็นผู้ครองประเทศราชต่างๆที่พระองค์ตีได้ก็พากันตั้งตัวเป็นขจัดแผ่นดินเอกราชขึ้นมาเป็นการใหญ่รวมทั้ง ดินแดนที่มีแม้ทัพในกองกลีบปกครองในอินเดียตอนเหนือที่เดียกันว่าดักรีย์ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในรูปแม่น้ําอโมดาเรียในประเทฐานในกัปตันนี้ด้วยสำหรับชาวกรีกที่มาตีอินเดียนั้นชาวอินเดียเรียกในนามว่าโยนกะหรือยวนะคําว่าพวกโยนยวนะโยนกะโยลกเนี่ยเป็นคำรที่ชาวอินเดียเรียกพวกกรีกที่มาเป็นประตูที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่ายวนะพวกยวนะ ในเยาวนาหมดหรือในภาษาบาลีด้วยโยนกะการที่กรีกมาสัมผัสกับวัฒนธรรมในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนซึ่งพุทธศาสนากําลังงอกงามรุ่งเรืองแผ่ไปบูนเต็มที่นั่นก็อพอได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาเข้าไปด้วยชาวกรีกเองเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนแล้วก็มีสมองเป็นนักคิดในทางปรัชญาเป็นอย่างมากอยู่เพราะฉะนั้น ก็เลยคอยรอบรู้ในสิ่งต่างๆรวมทั้งรับขุธศาสนาเข้าไปพระจา่าไดฟันเดอร์คือเลียดลูซีอินเดียมาององหนึ่งแล้วก็ให้ล่ามแปลวัตถิบามมันเพนตะบะอยู่ลิงสังแม่น่าเพื่อความประสงค์อะไรอยากจะวราบวางคิดอ่านชาวอินเดียในเ ร, รื่องปรัชญาลูซีบอกว่าป่วการเพราะว่าปรัชญาอันลึกซึ้งของอินเดียถ้าจะต้องแปลโดยอาศัยปากล่ามตั้งสามสีปาก ขายทอดกันตั้งสามสี่ภาษากันกองกันตั้เป็นภาษาสี่แค่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ฟัง แ, แล้วละก็ข อ, องดีๆก็กลายเป็นไม่ดีมันผ่านหลายปากนะนี่กันกรงลาบากเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เรียนภาษอินเดียเรียนภาษาต้นสติกเอาเลยจะได้รู้อเล็กซานเดอร์เองก็อยากจะขอซื้อนักล่าอินเดียเอาไปไว้ประเทศกรีกความว่าอินเดียเองไม่ยอมขายนักปา่าแล้วก็อ่า ได้ส่งคำหรือสีสองคนไปไปประจำที่อกองทัพพระเจ้ า, าเลสันเดอร์คือจะให้พระเจ้ า, าเล็สันเดอร์ได้ใส่ถามปรัชญาความคิดอา่านชาวตะลังออกนี่เป็นเรื่องราวในจดหมายเหตุของกลี่เขาเล่ามาตอนนี้ในขณะที่กองทัพพวกยวนวิทยวันะกาลังบุกลุกอินเดียตอนเหนืออยู่ในแคว้นมังคต์นั้นราชูงนันทะกาลังเขอบครองอกษัตรตย์อิสุทธาพระราชูงนันทะคือพระเจ้าธนันทะ ได้สิ้นพระชนในสมรภูุมในการทําสงครามกับอ่าคุณสุ ข, ขันคนหนึ่งซึ่งเป็นพระอัยยตาของพระเจ้าอโศกมหาราชท่านผู้นั้นคือจันทรคุปต์จันทรคุปต์น่ยตามเรื่องประวัติว่าเป็นบุตรเป็นศึกมาจากผู้มูลีวงศ์แห่งปีธริวันถ้าหากว่าศึกมาจากมูลีวงศ์แห่งปีธริวันจริงแล้วจันทรคุปต์ก็มีเชื่อปากาโลงแฝงอยู่ด้วยแต่ข้อเท็จจริงนี้นักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่รับรองบางทีจันทรคุปต์อาจจะเป็นลูกของ พนัก ง, งานเลี้ยงนกยุงที่เด็วกว่ามายูรปูสตะอันเป็นพนัก ง, งานหลวงในการเลี้ยงนกเขามาจัดแผ่นดินวงนันทะเป็นได้แต่การกระทุ้บจะส่งเสริมกาลังเป็นกบฏต่อกษัตริย์วงนันทะก็ดยได้รับความร่วมมือจากพราหมคนหนึ่งชื่อจานักยพราะจานักย์ซึ่งเป็นผู้แต่งตาราทางกฎหมายจากกดีที่เด็กกันว่าอัศฉรตยะอันเป็นหนังสือกฎหมายที่ถูกต้องที่สุดในสมัยยุคเก่าของอินเดียที่มีมาที่ว่าคัมภีร์อัศฉริยะ การั์ยะได้ทำหน้าที่เป็นที่ศึกษาหรือเสนาธิการของจันทรคุปจันทรคุปต์ได้ทำสงครามลุกบ้านลุกเมืองในแว้นมคอตแล้วก็ตีเมืองปาตรีบุตรแตกแล้วก็ตั้งราชวงศ์โมริยวงศ์ขึ้นหรืองศ์ลูกยุงภาษาภาษาติดเดียกกันว่ามาริยวงศ์บาลีคือโมริยะราชวงศ์โมริยะก็ตั้งขึ้นจันทรคุปต์ได้แฉแสยามุภาพขับไล่พิคอนของเกศเข้ามาจากอินเดียโดยการทาสงครามกับพระเจ้าเดลโอคต ซึ่งเป็นแม่ทัพของอเอลิสันเดอร์แต่หลังจากเสื่อชนของอเอลิสันเดอร์แล้วเซเรอุคสได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์แห่งซีเรียโดยทํำสงครามกับจันระคุปในอินเดียจันระคุปก็มีชัยชนะผลก็คืออ่าได้รับธิดาของเซเรอุคสมาเป็นมเหสีเป็นการระว่าทําไมตรีต่อกันจันระคุปไม่ได้รับถือพุทธศาสนาแต่รับถือศาสนาของนิคนาสบุตรคือศาสนาเชนเพราะฉะนั้นในบรรทัดลายแห่งขาชาราชีา จันทคุปต์ได้ออกไปเป็เพนตะบะเป็นเบียดีนิโคลอยู่ในป่าฝูงอดข้าวจนเป็นประชนตามคฑฑติเขานิ่กายสัตนาเชนซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุกไกวันหรือบรรลุอิพานในศาสนานั้นโอรสของจันทรคุปคือพระเจ้าพิมพุสารเด็กศึกพุทธวงต่อมาพระเจ้าพิมพิสารเองก็ไม่ปรากฏห ล, ลักฐานว่าเป็นพุธทธมามกะคงนับถือศาสนาเชนกับศาสนาอาชีวกและศาสนาพราหมณ์ปนเปกันไปเพราะฉะนั้นในคัมพีมหาวงศิงพลนาว่า พระเจ้าพิาสุสานนั่นได้ถวายทานแก่พระามวันละหกหมื่นทุกๆวันไม่ปรากฏมีคําว่าพิสุในพุทธศาสนาอยู่ในร่องรอยด้วยเลยพิสุสานก็ครอบครองอยู่ในระยะเวลาพอสมควรแล้วก็นื่องจากพระองค์มีอุรสหลายองค์อุรสเ่ิดโอุรสที่เกิดจากอคาเมเฮสีชื่อว่าเจ้าชายสุติมะซึ่งเป็นรชัชทายาทที่พระองค์จะตั้งพระทัยมอบหมายและจะสมบัติให้แต่ทว่า ยังมีอุรุตุลุงรองที่เกิดต่างมเหสีออกไปคืออโศกอโศกนี่เป็นผู้ที่นักรบมาตั้งแต่วัยรุ่นพระราชบิดาได้มอบหมายเรื่อรถพรับจับตึกให้กับอโศกกุมารออกไปตีบ้านตีเมืองต่างๆแพร่แสงยานุภาพต่างๆตอนที่พระราชบิดาประชวรหนักจะตีวงค์คดอโศกไม่อยู่ในเมืองปาตริบุตรกําลังออกไปเป็นอุ ป, ป ร, ราชในเมืองเวทีสาในแคว้นอุชเชนีอยู่ ทางเมืองปาริบุตรพระเจ้าคุณคิสานจึงมอบราชสมบัติให้กับเจ้าชายาาคูซีมะเมื่อคูซมะสเยราแล้วอาโศกกลับเข้ามาในเมืองปาริบุตรแล้วใช้อุบายรงชยทชนพระเชษฐาแย่งราชสมบัติตั้งพระองค์เป็นจกักรพรรดิแห่งอินเดียขึ้นมาตอนนี้อาโศกยังไม่ได้รับรับถือขุดยังไม่ถือาศาสนาอาชีวกศาสนาเชนาศาสนาครามณ์ตามตามมันกบุรุรษ จนกระทั่งอโศกสูรราบแล้วได้ประมาณแปดหรือเก้าปีพระเจ้าอโศกจึงได้เปลี่ยนขัตไทยมานับถือพุทธศาสนาอะไรเป็นเหตุที่รพระเจ้าอโศกเปลี่ยนขัตไทยมานับถือพุทธศาสนาเท่าที่ปรากฏในศิราจารึกของพระองค์เองซึ่งพระองค์ได้ทําคล้ายๆเป็นเรียบเรียงเป็นประวัติศาสตร์หรเป็นราช อ, องค์การในรัชสมยัยอันรุ่งโรจน์ของพระองค์นั้น มีสิาราชลึกหลักหนึ่งเป็นข้อความที่พระจางโศกตร์เองว่าเมื่อเราทำพิธีราชาพิเศษแล้วได้แปดปีเราได้ตีทาแสนยันภาจำนวนมหาศาลไปตีแคว้นกรินคราสในอินเดียตอนใต้ในการทำสงครามกับแคว้นกรินคารานี่ต่อหน้าต่อตาเราได้ฆ่าคนจำนวนหลายแสนตายไปทั้งสมณะชีพามเด็กเกที่ใน่มส่นในสงครามก็พลอยตายไปมากมายก่ายกอง หลังจากการสงครามแห่งกรีนคราวนี้เราก็เกิดความสรดสั่งเวทใจยอย่างสาหาัสน้อมใจสู่ธรรมมุ่งแน่วสู่ธรรมและธรรมาราษาทุกเหล่าก็ตรหนักว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ชัยชนะโดยวิธียุท ธ, ธวิชยัยเพราะว่าชุทวิชัยนะ่ะได้นํามาซึ่งน้ําตาความโศกสลดพิษตัดชัยชนะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมวิชยัยชัยชนะโดยธรรม ซึ่งจะให้ความสุขทั้งในพบนี้เดีพบหน้าวิราจารึกหลักนี้ก็เท่ากับประกาศให้เห็นน้าพระทัยพระเจาอโศกว่าขนแห่งการทํางสงครามนองเลือดข้างใหญ่ที่แคว้นกรินนั้นทําให้กษัตริย์พระองค์นี้ติด ก, กับพระทยัยมุ่งหวังที่จะศึกษาทางศาสนาอย่างลึกซึ้งจริงๆและโอกาสนั้นศาสนาที่มีมากในะอินเดียอยู่แล้วก็มีโอกาสจะเสนอหลักการและคติธรรมสําหรับการศึกษา ผลก็คือพระเจ้าโศกเลือกเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําใจนี่เป็นผลที่แท้จริงเพราะหลังจากนั้นแล้วไม่นานในสิญาจารึกอีกหลักหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ลุมพินีวันบอกว่าพระเจ้าโสมได้เสด็จมานมัส ก, การในกี่ทีพระสกยามุนีพุทธเจา้าประสูตรคือประธานที่ลุมพินีวันนี้แล้วมีพระองค์การให้ลดสวยสาอาตอนแก่ชาวบ้านลุนลุมพินีวันลงเพื่อเป็นพุทธบูชาจากจารึกหลักนี้ทําให้เห็นว่าพระเจ้าอโสนะเป็นชาวพุทธจริงๆแล้ว เป็นชาวพุทธราชประเทศในตอนนี้ถึงมานมัสการสังเวชนียสถานปรากฏว่าพระเถระที่ทําหน้าที่เป็นอุราธกาจานุ่งพระองค์ของพระองค์นั้นมีอยู่สององค์เลกันเป็นที่สุตางนิกายองค์หนึ่งคือพระโมคคีบุตรติสวัซึ่งเป็นสังฆตาโมก ข, ของนิกายเถรวาอีกองค์หนึ่งคือท่านอุปคุดเป็นสังฆตาโมก ข, ของนิกายสรวาปฏิวัติ ทั้สององค์นี้เป็นอุวาปก า, าจาร์เขาไปจากอาสโศกในการแนะนําข้อธรรมทางาศาสนาให้กับพระองค์แล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาจะอาสโศกนั้นเป็นชาพุทธที่ไมผูกพันกันิกายอุปถัมพุทธศาสนาพุทธิกายเป็นตัวอย่างของชาพุทธที่ดีแล้วก็เวลานั้นหนึ่งจากคนศิษยนิกาย ใ, ในอินเดียกํลาลังคละเบาแวงกันระหว่างนิกายกันอยู่พระเจ้าอาสโศกก็ทรงขอร้องว่านิมนต์พระเป็นเจ้าถ้าพสกเป็นเจ้าทุกรูปอย่ามัวเลาะ บ, บอกแวงกันระหว่องนิกายเลย ให้กระหนักคือคำสั่งของต้องให้ผู้ทรงดีกว่าว่าทำอย่างไรเราถึงจะปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่ามัวเอาลูกนิกรมาเสียดสีทะเลาะเบาแวงกันเลยถ้าผู้ใดยังทะเลาะเบาแวงลูกนิกรจะให้ศึกเสียพระองค์จะให้ศึกออกจากวัดแล้วก็จะประทานผ้าขาวให้ไปผัดเป็นคารุหว่าอย่า ง, งานั้นการลึกอย่างนี้มีคนพบในอินเดียกว่าสามแห่งด้วยกันในที่ต่างๆคือในอินเดียตะวันออกแห่งหนึ่ง ในตะ ว, วันตกแห่งหนึ่งแล้วก็ทางใต้แห่งหนึ่งสามแห่งด้วยกันที่เป็นพระราชองค์การขอร้องพระ ท, ทะเละนิมิตร์เนี่ยนี่ในข้างนั้นแล้วก็พระเจ้าอโศกนั่นอาศัยพระโมคคิบุตรติสสะเห็นเจ้าโดยการแนะนําของพระมคคิบุตรติกสะว่าพิสุทธิ์นิกายเานะ์เทระว่ตอยากจะประชุมทําตัณฑนากันพระเจ้าอโศกก็ยินดีรับอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นปฏิญาตัณฑนาเกิดขึ้นนะ่ะเป็นการกระทําของพิสุทิ์นิมิตรเดียวนะครับอีกสิบเนิกาตร์เลยรับรู้เลย เป็นนิกายถราวาทนิกายเดียร์เพราะท่านหลวงคฤบุตรติสระนั้นท่านเป็นผู้ไงว่าเป็นเจ้าคณะใหญ่ของนิกายเถราวาทท่านต้องการจะทําทั้งขายนาปัตติยทั้งขายนาพระเจ้าจอโศกก็ทงบ้านเมืองก็ให้กําลังอุปถัมภ์ส่วนพระโอกรคุตนั้นท่านเป็นเจ้าคนะใหญ่นิกายสระาวาติวัดท่านทําหน้าที่เป็นมักคุเทศนทําพระเจ้าอโศกจาริกไปตามอาพุทธสถานต่างๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าหมดต้นกระชนินอยู่กระทับที่ไหนสดทาททำที่ไหน พ ร, ระเจ้าโศกดาลิศตอบูชาหมดเพ่ออินเดียโดยอาศัยพระอุปคุเนี่ยเป็นผู้นําปอาศัยพระอุปคุดนี่เป็นผู้นํานําท่านประจาริศกัปัติและวพอไปที่ที่ไหนพระอุะคุดจึงกอธิบายว่าจิตรงนี้มีประวัตเกี่ยวพันกับพระบาสดาอย่างไรให้พระเจ้าโศกฟังพอมาถึงที่จิตพระจ้าลิพ า, านาพระอุปคุดเล่ า, าถึงตอนนะครับก็ลิพานอย่างละเอียดแล้วพระเจ้าโศดถือกับวิสันวีลงด้วยความใส้สัทธาย่างสุดซึ้ง ว่าพระองค์เกิดไม่ทันสมัยพระศาสดามาเกิดในตอนที่พระศ า, าสดาปฏิวิตรแล้วมีความภูมินักเข้าใจยอย่างสุดเพี้ถึงกับวิสันต์ผีเผาอันนี้นี่จะเห็นว่าพระเจ้าโศกนั้นทำเป็นชาติพุทธิกขึ้นขัดจริงๆผลก็คือว่าพระเจ้าอโศกได้นําหลักธรรมในพุทธศาสนามาประยุกต์กับการปกครองในครั้งนั้นสร้างระบบธรรมมาธิฏฐัยขึ้นให้กับอินเดียระบบธรรมมาธิปไัยที่พระเจ้าอโศกสร้างนะ่ะคืออย่างไร ในขั้นประการที่หนึ่งพระเจ้าโศกได้ออกรชาชองค์การให้ราษฎรทั้งหลายถือพระ อ, องค์เป็นพ่ออย่าถือพระ อ, องค์เป็นเจ้าหนือหัวหรือเจ้าชีวิตให้พระองค์เป็นพ่อแล้วพระองค์ออบอกว่าธรรมดาพ่อย่อมต้องการให้บุตรกีดามีความสุขกายสบายใจไม่ให้เดือดร้อนขันใดเราก็จารนาให้บรรดาราษฎรในขันพระสีมาของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจแม่เหมือนฉันนั้น และทรงขอร้องบรรดาข้าราชการว่าอย่าให้คอรัปชันราฐสภานให้ทำงานด้วยความซื่อสั ต, ตย์จริตขอให้ถือว่ารัฐสภานเหล่านี้เป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นฝังข้าราชการาใดไปคอรัปชั่นคดกงรัฐสภานหรือกดขี่ราษฎรแล้วมันผู้นั้นก็เท่ากับคดโกงตัวเราและกดขี่ตัวของเราซึ่งเป็นพ่อของราษฎรเหล่านั้นด้วยนี่เป็กระแสองค์งการที่จ้าโศกพระองค์ได้ตั้งข้าราชการคณะหนึ่งมีหน้าที่วดขันการประพฤติทางจริยธรรม องประชาชนข้าราชการคณนะนี้ให้ชื่อว่าธรรมะมหา ม, มาตย์ธรรมะมหา ม, มาตย์เปไปเป็นหูเป็นตาแทนพระองค์ว่าให้สอบสวนดูเจ้ามูลที่ไหนในอำเภอที่ไหนในกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไหนทำงานในสื่อตัดติดขีราสวรรก็ให้มีหน้าที่เพชรพูนกับพระองค์โดยตรงดูไม่ต้องไปเสนอเรื่องราผ่านบระดับ่า้นขึ้นมาไม่ต้องพูนเขา้าไปเพชรพูนโดยตรงได้จะ ไ, ได้จัด ก, การบรรคับบัญชาสั่งงานลงไปเด็ดขาดทัน อ, อกทังใจ แล้วก็ถ้าใดประชาชนยังมีประพฤติถิ่นธรรมอ่อนแอไม่สนใจในการประพฤติถิ่นธรรมก็ให้บรรดาธรรมะมหามารนี่มีหน้าที่เกลี้ยกรองชี้แจงทักทิ้ให้ทชาวบ้างถือถิ่นธรรมเป็นใหญ่ให้ถือถิ่ธรรมเป็นใหญ่ในข้อนี้พระเจ้าโศกได้ยกเอาธรร ม, มะในพุทธศาสนาขึ้นมาอ้านดูขอร้องให้ดาสานประพฤติตามมุงคลสูตรอ้าชื่อเขามามุงคลสูตรออกมาทีเดียว บอกว่าถ้าใครผู้ใดก็ตามก้าประพฤติทำตามมงลคุรสูตรแล้วผู้นั้นจะได้รับความรื่นเริงทั้งในโลกนี้และโลกน่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้ประพฤติทำตามมูลคุรสูตรเถอะผู้ใดว่าพระองค์เอาหลักมงคุรสูตรนั้นมาเป็นพื้นฐานในการอบรมศีลธรรมประชาชนสำหรับบรรพชิตคือท่านในพุทธศาสนาพระองค์ได้ขอร้องให้ท่านในพุทธศาสนานั้นปฏิบัติตัวตามมงลเลสูตรกับมุนีคาถากับนารกาสูตร ได้ชักตัวอย่างมาสามสูตรด้วยกันในศิลอาภาัยคือมูเนย์ยสูตรหนึ่งมุนีคาถาหนึ่งนาละกะสูตรหนึ่งสาสูตรนี้ขอร้องให้ข้าว่าอย่ามัวทะละหรือมีกายเลยให้ประพฤติตามหลักธรรมในสาสูตรนี้เถอะาศาสนาผู้จะดเจริญก้าวหน้าเป็นการตเรินของส่วนรวมไม่ใช่ของมีกายใดมีกายหนึ่งผมขอร้องให้ไว้ๆอย่างนั้นบอกว่าให้ประพฤติตามมูเนย์ยสูตรนาลกะสูตรแล้วก็มุนีคาถานะครับสาหรับคารวะนะขอร้องให้ประพฤติตามมูโคนสูตร นี่เป็นราชองค์การกฤษฎากรในศิลาจารุที่ได้ไดมีการค้นครบกันแล้วก็มีการนักตราทางโบราณคดีได้เอามาแปลเอามาตีนกัน อ, อาโศดัวาอาโศก่าอินสคิปชันที่สุริอโศก่าอินสคริปชั น, น, ชนมีหลายพันหลายสิบงนวนเขียนกันผมก็เพียงแต่จำเอาข้อความใหญ่ๆมาเล่าให้ฟังนั่นเองแหละถ้าเราจะศึกษาแล้วจะเป็นวิชาการโดยเฉพาะนักตราหลายร้อยพันเขียนตำราในอาโศกมากมายเอานอกจากนี้แล้ว พระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์เองเป็นตัวอย่างไม่ใช่ดีแต่จะให้ท่านทำแล้วตัวเองก็ไปทมมาเลยเทเมาไม่ใช่พระองค์พระพุทตัเป็นตัวอย่างประกาศไปราชองค์การว่าพระเจ้าเทวานําปิยทัศสีพระเจ้าโศกหนมีอเทธานํามหนึ่เลือกเทวานําปิยภัศสีนะครับอชื่อนี้คำใจว่าจะเป็นชื่อเรี่ยงตั้งแต่พระองค์หันมารับถือพุทธศาสนาแล้วคือแปลว่าพราเจ้าแผ่นดินผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายพระพุทิธรรมเป็เทวดา เทวดานี่ละพูดง่ายๆ อ, อีท้ทยเขาว่าเทวานําปิยพัทสีพู้เป็นที่เห็นในที่พอใจที่จะเห็นพอใจที่จะละเขาฟุ่มเฟือยเพูดง่ายๆพระ อ, องค์ตรัสบอกว่าแต่ก่อนนี้การเดินทางการเสด็จประพาของเรานะ่ยเป็นการล่าสัตว์บ้างเป็นการทํายุทธยุธทธสงครามบ้างเรีวยว่ายุธทธลีลาถ้าเราจะไปไหนในก่อนก็เป็นการล่าสัตว์หรือไม่ก็เป็นยุธทธลีลาต่างกวามเดือดร้อนในชาวบ้านชาวช้องเขา แต่มาบัด น, นี้ขั้นเรามาน้อมทําสู่ทำไข้ทําแล้วการเสด็กของเรานั้นการประพาสการที่อย่อาของเรานั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นธรรมลีลาตัวเปลี่ยนเป็นธรรมลีลาแล้วด้วยรลาไม่เอาแล้วเป็นธรรมลีลาเราได้ไปเยี่ยมเยือนราษฎรตามหมู่บ้านถามพระทุกสุขดุตตามหมู่บ้านในที่ต่างๆหรือไม่เชนั้นก็ไปเยี่ยมเยือนไปถามปัญหาธรรมกับสมณะพรามตามวัดต่างๆ เพราะเราตระหนักว่าธรรมารีลานี้นํามาเพ่อความเบิ่อความใจอย่างเดียวไม่นํามาเพ่อความเศร้าใจหรือเสียใจอันเลยคือกับการลีลาเมื่อก่อนซึ่งเป็นยุทธารีลานามาสพ่ความทิพหายความเดือดร้อนทั้งตัวเราทั้งคนอื่นไปหมดพระองค์จินข่ายที่เห็นบรรดาราชดรทั้งหลายดําเงนินธรรมารีลาเช่นพระองค์บากจัดอย่างนั้นบอกให้ะะราชดรน่ะอย่าไปเที่ยวเตร็เตร่อะไรเไม่เปเรื่ อ, องอาภัยโยมเลย ขอใเที่ยวไปตามวัดพลมาคับพระสงฆ์เจ้าหรือไม่ฉะนั้นก็อไปต า, ววาตามไปเที่ยวไหว้พระตามค้อตัสถานต่างๆอย่างพระองค์ดีก ว, ว่าบอกว่าการเที่ยวไปอย่างนี้แล้วจะนําความสุขทั้งให้ในมีอลีน่ะแต่ขอ้องอย่างนี้นอกจากนี้พระ อ, องค์ยังได้เลิกกินเนื้อตัตว์อินเดียที่เป็นให้ประเทศว่างเปล่าจากศากสนาครามเดิมนะ่ะอย่าอนุญาตให้ินเนื้อสัดว์นะ ความเองลาบุชายานเลี้ยงหรือขาเเองแทนคอแพ้รู้ตัวเองอยู่เดียวความเนี่ยสมัยพระเลตรเนี่ยข้าสมิชายันเองเลยแต่พี่หลังพามาเปลี่ยนเป็นไม่กินเนื้อสับอย่างพวกแขกจินดูด้วยกินกันทุกวันเนี่ยเพราะอิทธิพลเมตตาธรรมพระเจ้าโสกพระเจ้าโสกทราบซึ้งในลหลักอริยสัจในพุทธศาสนาอย่างยิ่งดยุดเมื่อถือเป็นจะสิงแล้วก็ประพฤติต บ, บึงจะทาอย่างยิ่ดงดยุดเลิกกินเนื้อสับละกลับบอกว่าแต่ก่อ น, นี่ในโรงมคือเราคุองน่ะ ศัดเป็นอันมากเสือกวางเนือโคเนือกแกะเนือกแพะตายีปกันเยอะแยะทีเดียวขั้นมาบัดนี้เมื่อพระเจ้าเทวานามปียพัทสีน้อมรมสู่ทำไข่ทำแล้วจะมีเพียงกวางตัหนึ่งผูกข้าในรมครัวและกวางตัวนี้นะ่ะอีกไม่ช้าจะเลิกข่าหมดต่อจากนั้นผจะไม่เพียงวัดเียหนีข้ากางตัวึ่งจ ต, ตนี ans, ้ไม่กวเลิกข่าแล้วแมวแล้วแม้แต่กวางก็เลิกข่าตัวนี้ก็หามไม่ใ้ข่ะเลือกให้พยาทากษัตริย์หมด พระองค์เป็นนักอัวิรัยนังอัวิรัยอย่างยิ่งยวดโลกจีนง้ตัดเพื่จะบำเพ็ญเมตตาธรรมอหิบาธรรมอย่างเอกุแล้วพระองค์นอกจากเมตตาธรับแล้วยังแผยังเม่คือว่าแผเมตตาธรรมให้กับมนุษย์กตัดสร้างโรงพยาบาลทั้งคนกระตัดโร้พยาบาลกตัดหลังแรกสร้างโดยชาวพุทับไมชาวฝรั่งตะวันตกที่ไหนหรอกพระเจ้าเจ้าเสร้างเพราะจะไม่เอันนี้คุณจะตกกระชาพุทธไม่จะเกิดกระตกฝระสงไม่ใช่ไอศปด แค่ทางตะวันตกต่างๆเนี่ยพุกเราเป็นคนีเริ่มก่อนและวูงนั่นคือวิาจารณ์โสปะสุปะสุเรือว่ปะสุปะสุอรูฮยาสาลาสาลาแอ่งคามไม่มีลูกของสมูสัตทั้งโงพยาบาลทั้งสาหรับคนโรงพยาบาลทั้งสำหรับสัดเราได้สร้างขึ้นทั่วทุกแห่งคุในจารึอกอย่างนั้นในองค์การอิกากฏในจารึกว่า่างนั้น ได้ส่งวิยากระสุนเภสัชกรส่งเครื่องยาสมุนไทยให้ไปประจำรพยาบาบลเหล่านี้บำบัดทุกบำรุงปูุกให้แกบคนกษัตริย์ที่ในไม่มีน้ำ ท, นนนที่ไหนพระองค์ก็ขุดบ่อน้าที่ใดมมีสวนพระองค์ก็ปลูกสวนนี่เป็นวนันนาอุทยานเพราะนั้นถุริ่มวนันนาอุทยานแห่งชาตนะิน่ะไม่ใช่ใครเขจะเาโกรก่าต้นหวนวนันาอุทยานแล้วก็บริรเวณเกษตรกรรมสวนผักสวนสวนครัว พระเจ้าโตกันทานะดูเป็นรัฐบาลตู่รัฐบาลตู่รัฐบาลตู่ให้ฟรีให้ชาวบ้านใช้ฟรีนี่เราดเศรษฐกิจสังคมในยุคพระเจ้าโศก่ะเก้าหน้าเพียงไหนเวลานี้เราไม่ยอมมาเริ่มร้องกันเราพัฒนาพัฒนาช้องถิ่นสอนรับาบันให้รู้จักทํามาอาชีพให้รู้จักทํากินให้รู้จักใช้ที่ดินที่ว่างให้เป็นประโยชน์เวลาเก้นหน้านาแล้วอย่าไปโมกินเหล้าเล่นการพนันคุณจะมาทํานาสผัดสามผัดพระเจ้าโตกันทํามาทั้งนั้ e นเลยของพวกนี้อ like ่ะ อมันจะเป็นของใหม่ตำตำราพระหังเศรษฐกิจที่ไหนมาหรอก็าจะเอาสูตคนทำมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่เราตะดอนอยู่ว่าทำเราตะลอนไม่ทำรัฐจะช่วยทำแม่ที่ไหนมีคนละหมากร้าวไม่แม่อุดมเอาพู้ไปปลูกแต่ไดีนี้เอาเอาเอาอ้ไปลกเอาไว้ไละตะลอใช่เป็นทานเอาไปปลกไว้ที่ไหนมีน้ำไปทำารปะทานขุดบ่อน้าไปบ่อน้ำตรงนี้มีมูลมแพงปราุดทั่แดนอินเดียมีมินแพงน้ำบ่อน้ำน่ะขุดขึ้นัฐาลไม้ขุดนี่ ทำขึ้นหมดนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้อาอโศท่านที่คุยได้คุยในสิริราชเลบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะตอนนี้เขาองค์จะมาลักถื้นศาสนาครสแต่เมื่อก่อนนี่ยราชาบาัลลัแก์จะยากจนพระรัฐบาลอ่ะลีทาสีเอาราชาบัลลักหนักแล้วยังเกลียดแย่อาไปลุกทำสงครามแผลจะ ก, กวาดเอาผู้คนมาร่วมตายลูกพัดพ่อพัดแม่โอ้พัดเมียแต่ทั้นมาณบัติเมื่อพระเจ้าเทวานําปีกทัศนสี มุ่งทำสู่ทำไข่ทาแล้วพระองค์ได้จัดรูสังคงมในชมพูทวีปนะ่ให้กายเป็นแดนสวรรค์ทันตาเห็นแจบอยานี้นบ่อนี่แหละชงพูทวิปเนี่เป็นฮีโร่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นช ม, ช ม, ชมพูทวีปเป็นเพราะอะรกอกาชมพูดีเดียามพูดวีปันมมโนรมับ่อนชมพูทวีปนี่เป็นที่น่ารืรร่นรมยเยิ่งน่ารืร่นรมย์ใจมาก นี่ชมูทวีปนันมีภาวะนา้าลมอ่ไอ้ีน่น้าอึดลน่ะคอม่มีสุขสบายต้าสะดอมอยู่ยังเป็นสุดออยู่ดีกิน ด, ดีอุดมสมบูรณ์อดอยากไม่มีจนผู้ร้ายไม่มีนี่ยแวมันเว้นสุดเว้นสงครามอย่างนี้มัสุขสบายคนไหลนล่นี่เป็นระบบธรรมมาที่ ต, ตยซึ่งอาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาโดยแท้ได้สร้างระบบธรรมมาที่ตะายขึ้นในดินดดนชมูทวีปเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วดูพระเจ้าเสกเป็นผู้นำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ต่อการปกครอง อันนี้เราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรถูกก็เรียกได้แต่ว่าเป็นระบบการปกครองแบบธรรม า, าทิฏไตยสมัยธรรมะเป็นใหญ่นี่อันนี้แหละเลขติองการปกครองของพระเจ้าโศกนี่แหละภายหลังจึงเป็นตัวอย่างให้บรรดากรัตย์นับถือพุทธศาสนาพยายามจะเรียนแบบอย่างเช่นว่าการะตับไทยเราก็มีพระอุปราชกาแพงเป็นตัวอย่างระบบการปกครองสมัยสุขโขทยนะัยเนี่ยเรียนแบบธรรมะทิฏฐ์ไตยเจาโศกมาทาั้งบุนเลยซึ่งท่านจะทราบในเมื่อรายการโฆษณาสนาของประเทศไทยที่จะบรรยายถึง อันนี้เราจะเห็นได้ว่านอกจากทําอย่างนี้แล้วพระเจ้าทศงทํายังทําสิ่งซึ่นยังมีบุญคุณแก่ชาวพุทธยังมีวันจะชเชลยได้หมดสิ่งนั่นคืออะไรงานธรรมโทตกรรมมัง่งพระเจ้าทรงได้ชนะแล้วพร้อมกับพรโมคคริบุตรติสสาเห็นว่าพระโมคคริบุตรติสสาเป็นข้าวสารเราา่งมนาขัดังตยานดูบอกว่าในอนาคตเนี่ยาศาสนาพุทธจะต้องชิพหายจากอินเดียเกิดในอินเดียจะหมดไปจากอินเดีย ถ้าไม่ช่วยพุทธศาสนาไว้แสงตะทีนี้จะดับไปจากโลกธรรมดาก็ลังให้ข้ามาทำไปไถึงถ้าทางบ้านเมืองไม่ช่วยเขาจะมาออกสต้มสตางค่าเรือค่าพาหนะโดยตารหสศาสนาก็ต้องอบ้านเมืองแล้วถ้าไปเจอผู้ปกครองบ้านเมืองที่ไม่หนักในศิลธรรมไม่หนักก็คุณข่าศาสนาพุทธเขาก็จะเฉยเลยมองมเห็นคุณค้างานธรรมุกแต่เทาว่าศาสนาพุทธีเดียวสุดๆว่าย้าทางสมองบุญคุณต่อพระพุทธเจ้ามีทางาจะมาสมองดี กับการแสดงการกระทำดูกระทำโดยีต่อสิทธิ์ของเราโดยทีอ่ะช่วยกันทำลายธรรมทูตเฮ้ยแอ่นศาสนาพุทธในต่างนี้่างแรนให้เจ้าจอองไปเป็นการทช่ต่ออายุของพุธศนาให้ยั่งดีพระเจ้าโรงจึงเรื่อนใจจากพระโมคคริบุตรจักว่าดิมจะเป็นฝผ่นอาาจักรที่จนพระหัวเจเชื่อใขอให้หัใจังเรียกเฉลิมฉรถึงที่จะมีดอุทิศัที่ต่อพุทธศาสนาได้ เขาจะเมิบติกานรื่องะเป <14. S 2> talk, ็นแม่กองรรมทูตขโมครีิบตุกาเป็นแ่องธรรมทูตไม่ต้องไปเข้าวันกเาไรเลยแหละเป็นแม่กางธรรมพูดบอกว่าเลือกที่จมีการถึงารถึงขึ้นตาสนาสหรับอาจนาดวงาทินี้ไปเผแผ่ในสนแคนประเทศต่างๆว่อย่างไรขโมยขลิบตุกตาทานที่นี่ลงมีเรือกมืเรือกับเรืองไปเลกมาได้คุกคามด้วยกัน คณะหนึ่งจานวนธรรมทูตนายกหลังให้เสมอกันนะครับบางคณะะมาเจ็ดทูตบางคณะก็ประมาณ2ีสแล้แต่เด็กเ ก, ดก็มีอ ย, ยู่สคะล่ะมีอ ย, ยู่สิบคะติายด้วยกันติสายติสายนะสาใหญ่ๆก็ขาที่สำคัญที่ออกปทศอินเดียมากก็ไปถึงแถวอะไรอินเดียแต่สายใหญ่ๆมีอยู่ประมาณสาสายติสายที่คนไปหลอกในอินเดีย คือไปในทะเลในป่ามีท่านกัจจักสดกัจจักสตเป็นเสืหน้าข้ากัจจักสดเองไปนั่งัน้เป็นในทในป่าในเวลานั้นจะเป็นปากกอเทสขงข็งสเดียนะเวลานั้นเนี่ยแต่สียังไงตอนนั้นพุทธังดีีหลังจากกจักสดแยกเลยถูกทำลายฐานสีหมดแล้วอีก้ายเลงมีข้อขี้เหนืหน้าไปไปดีเรือไปเรือขาไปเรอไปเหนือข้าไปเรืเรือนย ข้าขเขาอยู่ในอะไรอยูในประเทศตอนนี้อินเดียเลยฝายอีกสายหีส้ทัวอินเดียแมกร้านก็อยู่ในบริเวณขอบตัดตะกัดบดของอินเดียเพรอินเดียเป็นประเทศกว้างใหญ่เหละเกินแม้ถึงสมัยจ้าเโกที่จะก่อสนาต่อไทยว่าจะมีประเทศที่ถืระแหงกัีได้บางข้อม่มีกางมาพ <ata> ักเข้าไปเลยถ้ายังไม่ทัดไทในถึงเลยอย่างข้อที่สมุนพลโตละบางขยะ เดิแล้วนะเออทางใต้นะปุ่นท่าพระเจ้ากรโจก็ปุ่นท่าไปปุ่น<ล>มาทางใต้ตั้งที่ว่าธรรมพูดไปสุด่ายมีม่มายหนึ่งหัวหน้าเป็นพลังเป็น้าพลังเป็นข้าพลังาพพช า, า, า, า, ง ต, า, า, า ต, ตือผมเลยกามาแล้วว่าตั้งแต่พระเจ้าเร่มการเป็นต้นมาอ่ะอินเดียกับกีซน่ะได้ผสมพันารทำกันพุะธศาสนาจะไปดคอใจชาวถือผู้ามานเอเชีย รัชกาลที่แล้วพระอรหันต์พลงคนแรกเป็นอาลังธาติกิที่ว่าโยนกจักรธรรมรัชกิจยี่ห้อก็บอกว่าถึงว่าจะโยนกหรืยวน่าแหละที่าวอินเดียเนียเรียกธาตุอกว่ายวน่าหรือโยนเพราะนั้นข้าธรรมรัชกิเนี่ยมียี่ห้ออยู่ข้างบนว่าโยนกจักรธรรมรักกิจก็คือจะเป็นรักษ์่เห็นคําธรรมรักิิธรรมรักิไร่แตกต่างกับระรัชกิจนไทยเลย อ่าคต้องสายยี่แหลงไปลงไปนี่เป็นโดจาธรรมรักาท่านโด้าจารธรรมรัิกานี้เป็นคนโค่นหน้าให้ธรรมพูทนำาสนาพุทธมาถือแผ่ทางอินเดียตะวันตกเอี่ยถ้าคำหน้าที่อย่างนี้ก็แปว่าท่านี้ก็อจะอินเีได้สิคำนี้คำหน้าที่เป็หน้าใสธรรมพูททางอินเดียใต้ได้นอกจากนี้อันนั้นนอกจากพระก็คำหน้าที่ถแผ่อย่างนี้้เลยครับเพราะจากอดีตจกถึงพวกคาราวาสจะถแผ่คนี้ฝากมาตราันี้แหละ ไอ้ผแต่ในนามธคมะมหาธรมาทยแตถ่ไหนึงประเทศ่ปาริภยตามนาติการอุบุตรียาอารบียอรานอัตตาอารแลวข่างปายุริสินะทุตรข้อค้ามล่าีปรากฏในสิดาจาริกหมดกาลธนาพระเจ้าปติมีกษัตริย์กษัตร์ชาติที่ปกครองอาภัสยอยิตอนเนีอุบุตรียแลวแต พรเจ้าอริสันเดอรในภาษาบาลีที่เจ้าโ้ว่าอริสุนรอริอริสตุนฮารูคืระเจ้าอริกแันเดออริสัตุนฮรเนี่ยจะอริสันเรศซึ่งเป็นภาษางคใหม่ไทยสื่อนี้กับภษาเก่าจะอริสันเรแล้วก็ชาวตีกัตจิแห่งประเทศอียิปตียิว่าพระเจ้าโตล่เน่เด้วธรรมะคืออันนี้ศาสนาจารย์เผยแผ่นาพุในดินแดนเหล่านี้เพราะนั้น อาล่าส <th> ุน <ionar> ี้ใ <idad> ค้ท <milliseconds> <c oughs> ี <Saya> sa <Christian> ่ศาสนาจินเขาบรียนรค้าพมริกาเราสมัยที่พิลิปินส์กรั้แล้วสามร้อยปีเศษโดยภายต้ราชกถานของพระเจ้าโสดมหาราชพระเจ้าโสดเป็นบุคคลที่มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงต่อชาติอานี้กาเองนานี้เรากเ็นหในนับถือพธกันต่างพุทจะมีในโลกแล้เพราะว่าเม่อพุกามาในอินเดียแล้วก็จะไม่มีที่ไหนอีกโลกหาพระเจ้าโสกกับพระโมคคบุตรติักรอันไม ตัดการ่วงหน้าไว้ให้เขือนนี่เขาดูกพิพีจนี่ไปใส่อายุว่าในดินแดนต่างๆแล้วตัดบทมีแ่ตัดกรดับเท่านั้นเองทีทำให้ต่อไปได้ที่มันโดนที่โดนทำรุนโดนทำรุ่นโดนคอย้ดนใหญ่ดับไห้ท่านอืนยังรู้อีกจาตายยังใช้สว่างบอมันบอมบอเลยหลอกๆอดูนี่เตุตามอย่างนั้นน่ะยิ่น่าจะเป็นเดตตัวอย่างสมัยทศวรรษปัจจุบันแต่เราจะช่วยาสนาเราคนไทยน่ะเราต้องําตามนโยบายบูรพาใจมันทามาแล้ว คือว่ต้องเอาต่อสนาเนี่ยหละไปดึงสามในต่างประเทศออกมานอกจากประเทศจะเผิแพ้แล้วต้องไปตั้งได้ต่างประเทศด้วยดูเวลานในนโยบายอันนี้เนะี่ยรัฐบาลไทยระกำลังทอยู่แล้วนะครับเรามีนโยบายาเพิ่งแพ้แต่รับทุกในอินเดียที่แต่กระหม่อมก็ได้ทิมาสิดแล้วแล้วก็จะให้ตุดที่นี่โตคุณราชทุกงที่มีมีทำในหัวหน้าคณะทอยู่อันนี่ยต่ว่ า, ากาา็ยังเป็นการต้งแรกนครับยัต้องอาสายกาลังในความศูนตลาดของข้างค่าต่างดินหัสไปคูยกันต่อไป เราไม่คุยกันแล้วนกแต่ย่าอยู่วันวันอย่างนี้เนี่ยให้กับองค์การประหารชีวิตสถาปนาเปงเี่ยประหารชีวิตสถาปนโดยตรงอะวันนี้ก็ขอแก้ร่อเอียวันนี้ก็เพิเอินไม่หามมีคนเขียนครราไปถามสยามรัเขีนบอกว่าต้องเกิดอะต่างกันแบบนี้คนมาคุยสถาปนาทิ้งเพิ่มขึ้นมากมายป็นมาตกไจสั้งแต่มีศึกเขาลุกุนเพราะอะไรแสดงว่าสถพุทธิไม่ดีพอเลย ทำไมถึงคนมากมายเลยเข้าด้วยกานแต่คิดนะคิดคิดไม่ถังนี้แล้วผู้ที่ทาหน้าที่แต่ไะสามมันก็ไปแต่แบบว่าแต่แบบนี้เขาแบบว่าเพราะแตงนะพุทอนมาพ่ตัวเองพึ่งตัดน้าคุณกายันดาใครพูดสอนมพุก็ค้นทุกยันดาคนก็ไม่ตอบแต่แนะคิดนะ้องสอนมาพึ่เขาจ่ายเป็นเป็นตักหน้าคุณการสาเป็นแต่ตอบการตบอย่างนี้เ่ยจะตอบม้รดู้ข้าด้วยกันแต่คิดแต่ด้อะไรก็ตามเถอะแต่ว่าน่าถึ่งารแบแบบนี้ ข้ากับว่ายี่ทำให้คนใจผิดที่ระสับกระส่ายใหญ่ๆหรืยงเลยนี่จะมากถ้อพุทธทไมเขาตั้งการลำบากอมนลเขือนพจะบายจะตายจริงหรือคนคุไนทายที่ชี้เขาจะเป็นผิดอ่ะเพามูมันเนนถือแต่งักพุทธจะัดหน้าการลำบากเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวกลับว่าไม่ทำใคนเข้าใจผิดอย่างกรณีที่เล่ามาในข้าเต้นข้าวตั้งความดีคารเลวควาถึงใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นงนี้เลือดดนหน้าที่ใครจะตอบถ้าเรามีแ่งแขก็ไม่มีรูกระโดดเลยชิ้นติดหมาจะชี้แจงใค ผมอยากจะดีใจจังครับอนนี้เพระเราจะมีตั้งแสนลูกตรงห้าตั้งหนึ่งจะไม่มีใค้เป็นเจ้าใครเจ้าลูกใดที่ผู้มีถึงที่แจ้งว่าสัตนะพวกเราเนี่ยไม่ใช่สัตว์น้ำของจำึือตัวเองแล้วเนสัตร์น้ำจพวกคึืนลับบาดไม่ใชนะที่เป็นมือเหยือให้คนที่พูดจะเป็นคอย่งไม่ใช่เพราเหยื่อนี่จะไม่มีใครที่แจงให้แต่ย้ำว่าเข้าใจเลยไปตีแถลในหน้านางพิทีนอธิบาห ขึ้นทางใคเข้าใจถูกต้องเราก็ัน่นคือีส ม, มบัตนี้มีผลมากคึ้นทางวันหรือเปเลาาบบบ่านเรื่องอื่นสองแล้วถ้าการตอบแบบนี้แล้วหาคนที่รู้า่าวในทุกการขาวเราเล่า ก, ากนันกจริงจะเป็นคนเล่าต่อสับนะผู้เขียนไรอันนี้เราหน้าคิดนะครับอันนี้น้าคิดอะไรครับที่เราไม่ตอบครับตอนนี้ภาพมีกำลังสองแสงนภาพเป็นที่นำกองทะลุหักที่ครับ ผมไม่มีสิทธิพาเลยครับต้องแน่พรานำก่อนผมไม่สิคือเข้ามาเรื่องดที่เขาเป็นเรื่ป็นาหานก็ได้สยามรัสมบัคือเนี่ยออกคือีสมบัติตกุฏิล้านเนี่ยหลายวันรายวันเนี่ยบัออกเย็นนี้เองเย็นนี้ก็ออกสยามรัชสมบัตอเย็เนี่ยเหตนี้อย่างหลากทํานายคนที่สบปัญหาแต่ประชาพลไม่เข้าใจปัญหาพูดผิดพลาดอย่างนี้เลยที่ตูกเราจะพาคุณเข้าไปถอดพวงเพียงไหนเข้าใจตรงนั้พูดเองแา่ณแข่งความลำบาก ศัตรพที่สักเจ็บสบายคนทุกสบายเนี่ยถ้ามีคนแบบนี้เหรอนะชุกจะแพ้เลยท่าไม่ชุกจะทระหารรุกหูเขาดีกว่าเราจ้ะมีเรื่องเยอแยะเยอะแยะแล้วคนที่ชุกศัตรูพวกนี้ศัตรูประหลาบากลวหายยังไงมีคนดีบงท่ามีไม่พาพวกแต่ท่านดีดีเหรอที่ว่าขอไม่สิ่งตัวเต่างถูกต้นทุกข์มีทาแเป็นจุดจุดยอดเนี่ยมีคนที่ไปปฏิบัติทําในศัตรูุกเขียวหวังน่ามีกี่คนจะจะมาเทวศัตรูผู้แก่เป็นศัตรูประหลาก็ยังไร พิรโดยสารในขั้นสุติรียรรมเยอะขัดจ้าหน่ะไม่โดยสารในสิ่งองเองหรอกนะเนี่ยเยอะขัดจ้าไอ้ของในกครั้งกำลังจะชาเนี่ยต้องเกัวเองโดยเราไม่เพียงแต่เราไม่ร้ที่เรู้สึกอันเลยสายกัไปสู่สุกติแล้วมันจะเปีอะไรฮะในธรรมเดชเนี่ยเนี่ยยึดยู่เอาดูการทำตาใจบริสุทธ์ก็ไปสุกติเพราะผู้ขาดวิถ่ายังนี้ไม่ตบรสุนใจคนที่นก่ใจ้าบากคนทุกคนหลายพัน ให้เอกติดจริงๆให้พามันะถูกแล้วคือพามันเรแต่ในขั้นต่อขอเนี่ยขั้น้าเนี่ยแลทิ้งพุทธเจ้าได้นี่นะยื่นแต้องศรัทธาเลื่องสายแ้ต่ไปยังารศัทธาข้อนี้เลยวนี้พุท ธ, พทธอพธโทตอนนี้ไปถึกฎกติาข้นี้ก็ข้าคนมาในํา้นบาปต่อข้าสัปิวิตรใคูข้าเลยหละ้มามาจายกองเนี่ยข้าสาดดุขเวรลอยลื้อันเองอ่ะยื่ต่ศรัทธายังนเดียกฎกติก ให้เขาไปสืบกามทักได้แต่รอคืหลังทหน้ามาตัดจะแด้คือคนละมีนิสิตุคุณมาตัดจะได้พาไปพาไปถูกปกติแล้วแตมันไม่ถูกอ่ะมันเป็การปฏิบัติธรที่แบบตอนอินทรีย์ลบากอ่ะมันรูงคุนหลังอานทรีพานตาอนี่ลำารือไม่ลำบากเนี่ยในเรื่องงข้อทสูจน์่างราสติเราจะกินข้าวเนี่ยเครจะคิดว่าใคายได้มาใครถือว่าครกินข้าวการลาบากถ้าอนที่เราก็ก็ไม่ได้กินขึ้นเนี่ย เขาที่นี่อางที่ยิงเข้าก็ต้องตีเข้าเข่าตาต้องเชื่อเมื่อการยิงเราดันมดีทางก็ต้องตีเข้าเข่าตาคือจะให้เข้างเอมีเรธรรมะขั้ลมัรรมธรรมเรายากเราไม่เดขคนม้จะต้องขึ้นตัวเองอย่างเรียนไปน้อยคนคนที่กระ็ให้คนทุบตันๆก็ไม่ได้คนทุบตัาๆหรือคนทุกขั้นต่ขอเนี่ยราพที่ได้แล้วเป็นเนเลยแม้ว่าอุณหภมิทางแล้วคือโดยแค่อถึงก็เป็นปกติแล้วนี่เขา้อนี้มาพูด เขาไม่ได้านอย่างนั้นอ่าวันนี้ก็จบจาการวเจัยเสร็จนะที่ทํางานด้วยไทยครับนะปุ๊บก็ให้ขอพรกคนแต่เวลาตอนนี้ก่อนอ่ามีพระคุณเจ้าเล่ที่ร้อยสิบสี่ถามผมบอกว่าทําไมมีนักศึกษาจงเนยมากแต่ใจสงสัยเกี่ยวกับผมนะเรื่องพระธรรมคืมก่อนมัญญังไม่เคยเห็นผมน่ามาสการภาพพระเหตุใจคดนนีนี้คือยังนี้ครับ ผมไม่กล้าตรวจท้อกับเพะกัวจะไปร่วมกันเสียงถ้ามีในในทวินัยหยุดสุ่ท้าปวดข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้ากระหัดไปออกเสียงหงรือพาะจะตรวตรวจสารพันญะดีอะไรสติแล้ว่อ็นอาบัตกระเเสียงอยงนู่นยังงผมจึงเลือกไม่อยากจะตรวจรวมเสีเยงสังโหตหรือว่ารวมเสียงออกเสียงสาพันธุายอะไรต่างๆแม้แม้กะทั่งเสียงขาธยายคอคอท้อกัะเพระเส้นด้วยกันเป็นอย่างนั้นครับขเขาห็นเป็นยังง ดึเลียเ่ยงไปเตียครับถ้าคุณจ้าเลย่ยคิดวอสิบสิยังมีคงใยอีกไหมครับคือมีสีา้าวเปดข้อนหนึ่งที่ห้ามไม่ท่าเนี่ยวดคู่กับคระดูกหัดออกเสียงท่อพร้อมกันคู่ทพร้อมกันไม่อยู่ข้อนผมก็สนัจเรี่งข้อนือไม่ใช่เรื่งใจ นี่นะครับเงื่อนสงสัยนะครับขน้อนี้ท่า้ถมเอนงไัยหอป่าไปทราบครับรบออะะืท่านอง่เงอีมีสสัยไหครับข้อหนข้อแรกเนี่ยสงสันะครับอ่ท่านอาวิน กินที่ขุดนะฮะอะไรนครัจฉริยรเลยฮะถามมาบ่อยปัจจุบันนี้รัฐบาลอินเดียนับถือศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอินเดียโดนไทยกับบาลเขาอ้าว่าเขาไม่มีศาสนาเขาไม่สื่อการกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเขาไ่านั้นแต่พฤทิชนรับถือดินดูเป็นศาสนาประจำชาติมิจอมังไม่เป็นสื่การับศาสนาใดศาสนาหนึ่งจแต่พุทธิเลวดินดูเป็นศาสนาประจำชาติ ข้อหินดูไปที่สามรห้าสิบล้านระเมืองที่ที่ินดูก็ถือเอาเขีนมาเป็นเกนว่าในจากอาจารภ์อาพนะครับข้อสองประเทศปาีิหานปกครองแบบไหนพุทธศาสนามีอยู่ในประเทศนั้นหรือไม่ประเทศตาฏิฐานและปกครองในระบบก็ดือว่าสระชาธิปไตยแบบที่มีผู้นำหรือท่านประธานธิบดีอาิษฐานน่แหละพุทธศาสนามีอยู่ในปาฏิหานตะวันออก อกดรามะขึ่งแต่เดนี้ยยังไม่แยกเป็นพาสีขาวเป็นเดียนั้นก็อยู่ไม่เป็นเดียเลยาพุทธในมือจิตตะวันมันมีกุระขัดฉันเป็นพาพุทธได้รับทิตะนจากธม่าพระธรรมะเข้าไปถแผ่และแต่คาพุทธเหล่านั้มีทคนไทยด้วยมีหมู่บ้านคนไทยและวันนีุ้ระด้วยที่รับพุทธเป็นไทยผาเจไปจากทันติอังสารัตไใหญ่้าเข้าไปอยู่ประมาณรอปีเศมานีย กลายเป็นไทยคัมซี่ไทยคาเจอ์หลเป็นหลายพวงด้วยกันกศิษย์กน้าตุ๊กเข้าเข้ามาจากเมากสามเขาศาสดาของศาสนาเชินแต่ตัวตัวท่านนี่ถ้าผมอากาบหรือไม่หรือแต่ศาสนาอยู่อี่ปีปริวัติานที่ไหนตั้งให้กลายเป็นศาสดาแทนแล้วศาสดาเชินแล้วศาสนาเชินมีผู้ลักถืออยู่กีกประเทศประเทศใดทีู่้ลักถือมากที่สุด อ่ า, าสน า, าศาสนานคือถ้ามีคนมาสมบุตรนั่นลูกหลวงผมป้าถูกแล้วครับ็นชีวเรือฮะลกลง้าแล้วก็ตายนะคันตายที่มีตายยาขอห น, น้าพระเจาอย่างมีทางพอตายลงื่้ส0กะเทอะอันะะเดียวเป็นเหตุให้พระสารีบุตรนำมาตาลกบต่ว่าอยาให้พระในพุทธศาสนาแต่เป็นอยา่างพวกนี้คนอย่างนี้เลยพอาศาสนารูกรับไปต่อมาละบอกแลาวกันเพราะฉะนั้นพระารีบุตรจะทูนขอทุกทานในญาติแสงฝังคีตีสูตร ให้เป็นตัวอย่างให้กับใครก้จะได้ไม่ไทะลาะกันพรงีิสันก็คุ้นง่ายว่าเป็นการกำหนดวัาข้อธรรมะหรือพุทธนทั้งหมดสาหรับให้พระสงฆ์ก็รู้จะได้มาไปดีรามว่าพระพุทธเจ้าผิดตรนี้พทเจ้าไม่ผิดตรงนี้แล้วก็มาเป็นเหตุให้เลาะกันพระพุทธเจ้าก็อนุญาตพระสารีบุตรก็แสดงเอาสมงเเมี่อพระพุทธเจ้ากอนุโมทนาทำกระทของพระสารีบุตรน่จะแสดงว่ามีคนมาบูรติตกระาต่นไมเต็มเลยตายต่อพระพุทธเจ้าตาที่เมือตายา่า ขบถจาริธานีกุินาราใกล้ๆกันนั่นแหละตายากุนารานี่เดินกันขึ้รันก็ถึงยใกล้ๆกันเมื่อตายไม่หนาอนเดก็ุดไม่ได้ตั้งในไทยเนสายราพอวันนี้ไม่ได้ฟังใไทยแล้วเวลานี้หนาอันี้ประเทศใดนอกจากินเดียที่มัตสิเชนเพราที่มัิเชในอินเดียเนี่ยไม่เชนไม่เชนสิบล้านเวลานี้โดยมากเป็นพวกหอก้าวบอดีกระเป๋หน่ะสุกนี้อินสามันสัญญาสร้างโบสถ์งามนานุทิศอ่อนหลังูต โคตรง่ายอย่างเีบินเ็ที่่าเอไม่าิไม่เคตัวเองไม่เ พบบร้อยี้แบบไปไปงขงตัวเองมันไมเดียนค่นเขาเบแล้วอตัวเองเาจตตัวเองเพราะนั้นไม่ถึงแบบไปถึงตลาดชิบไม่จึงตลาดชิบสมาสีสิเป็นคนเยาะหลาสมาสิสีเนี่ยเมื่อข้คอตอลนี่โกนขี่ขีข้เจ็บขี่เจ็บข้าขั้ขี้เจ็บแล้วมีโกงห้อมล้อมอุปสที่ถากแล้วตอเนี่ยจะมาหังเลยตรงนี้สมาสิสิพิจารณาทุกข์หายนาไปเรื่อย บรรลุตอนนี้ไม่ ไ, มไม่้ไม่ทำไมไม่ได้เพื่อตอนที่ตอนจะทำใครจะอยู่ในหะ้อแล้วแต่ตอนทำมกํนนาลังทำอยูนะ่เน่ี่จมาได้มดหลังหลังจากนห้นแล้วแต่ใหเอามาได้แตที่ตึ้งล่มหย่อนมันจะขาดอยูมันไดกอนอดีตอดีเลยอ่ะตอนอดีต ข, ขาดเชืเ د, เ د, เกก่อ น, นืเลงทนดีอยู่ไอตอนห้ก็ได้โม่ะตอนหน้าที่ตาล ก, การ่าตัวอาจจะทาได้โม่ะแต่ยัได้ทอาหาอีกตอนนั้นนะ่ะ แต่ให้กองที่กำลังฆ่าอยู่และกำกำลังจะตาอยู่เนี่ยตอนนี้นี่ระมาบดากเกิดการแบบที่จะมาไปเนี่ยบรรลุเลยความแบบแบบลมขาดใจหันัวว่นี่จะมาชี้ชี้ทุกคนนะ <c oughs> โอ้โอคนที่บารบมีสุดรอดแล้วอย่าไปพูดเรงเวลาเลยอย่าพูดเรงเวลาเลยเพราะหนึ่นคนีบารบมีเ น, น, น, น, น, น, นี่ยถึที่สุดขันโลก ก็นีท่านผู้หนึ่งมาบอกว่าพะวังหนึ่งพวังขจิตคือจิตอะไรคนที่นอนหลับถือว่าเป็นพวังคิตใต้ไม้ครับ่าะวังคจิตนั้นคือจุดที่ไม่ขึ้นสู่วิถีทางกันจักรวาลนะะไม่ขึ้นสูวิถีทางกันจักรวาลไ่คึ้นวิถีทางของกันจักรวาลนี่กระทานหันเลยทวาที่มันรับพลังข้างนอกขันนี้กับกันจักรวานะครับเราเรียกว่าพวังขจิต ผีไม่ภายรนของมันเองอุตาหาทังข้ามีอารมณ์คือสมาลงต้องมนิสัยลมถ้อติมนิสัยณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เรื่งพลังขจิตคนที่นอนหลับข้างหามีแสงนังไม่เป็นพวัขจิตนอหลับไปมี่คือมีแสงเป็นพังจิตข้อแถามว่าเด็กินไม่ทานมารดาหายใจหรือไม่เด็กอาจะไม่ห้ใจลงของมารดาไม่ห้ใจเด็กกินมารดาไม่หายใจถามว่าทำไมหใจทำไมดูได้ทามันเรี่ยงได้ ขัคามว่มามีมมมอไะไร<อ> ม, มันเรืเอ่อยขันธ์จรมันเรื่อยไนยก็ยับไปละทำมันเรี่อยเลยนข้อสมีอาจารย์มั่งเขาอธิบายว่าจิติญญันไอ้ไทรมโนอย่างเดียวกันแต่ยังสงสัยอยู่มากกรุณาอธิบายเรเข้าใจว่าวิญญาณไอ้ไมนโนเป็นที่ตั้งมากกว่าไม่ใช่เหรครับจิตวิญญาณมนโนอับปยังกันกรังมโนวิญญาณมโนธาตุอันยึหมดแต่เรียกโดยหน้าที่ต่างกันคท่น้าที่ครับท่าให้ทารู้นี่ มาหน้าที่รู้ทางายตนะก็เดือกวิญญาณคนอากกเดกวิญญาณนขารู้นี่ําหน้าที่ปติเสธผู้กรเดือกปฏิเสธผู้วิญญาณอินจานไม่เดือกระเวิญญาณแล้ว้คิดวิญญาณเข้าในคำกรณีนี้งนึ่หน้าที่ปฏิเสธผหลังจกคตื่อระดกวิญญาณสองำหน้าที่ทางยตนะรับอารมณ์กระทบคายร่กระเดือกวิญญาณไม่ทไม่เดือกมนมษยนร้อร้อน้อนไปถึงอารมณ์ นั่นเองีือการจะทำกินล่อไปสูอารมณ์จิตเน้ายเพาว่าคิดมาจากจิตอาฆาตคิดหรือมาจากจิตอาฆาที่แปลว่ารักษาคือสัาญาแห่งต น, น, นในที่นี้หมายความว่ารักษาสอญญาอิบาดตามต่างๆที่ท ำ, ทำมาว่าจดตึงอยู่ในที่ภาี้อันนี้แหละตรงนี้ธาจะเรียกไปเละว่าใอ้ภาพรู้นี่ทาหน้าที่ล่อไปสู่อารมณ์ก็เรียกว่าโมธาตุจะเรียกว่าไอ้ธาตรู้นี่ทาหน้าที่คิดอาลงยรือทำหน้าที่เจ็บ จะอารมณก็ได้ยกว่าจิตเียกตามหน้าที่ครับความจริอันเดียวกันนะฮะไม่จะแตกต่างกันเร่องที่เจ้าที่เดชถามมาบอกว่าจิตที่ขึ้นอยู่อารมณ์ลแล้วไม่จับลงมาอีกคือเกิดคือเกิดตรงไหนแับตรงนั้นและ้วะวังถ้าจิตอยู่ตรงไหนอยู่นะฮะใครรู้หรือเปล่าผู้อธิบายด้วยสองจัตที่เกิดมานั้นมาเพื่อใ้กรรมหรืออย่างไรเอาสาหรับข้อสนี่แล้วโดยจริงครับมาเพื่ใช้กรรมแน่ถูกแล้วจะตั้งทุกบินเลย ก็เกิดมาเพื่อชดเชยบาปกันเรามีงที่มาจะ้างก่เมื่อชดเชยบาปคือธํามจอมัจะ้าแต่ข้าวที่เป็นบาปเพราเรกดมาใช้กานมาถูกส้งแล้วครับเพราหว่ข้อหนึ่งนั้นถามเลยนะครับารูปหรือเปล่าถ้าพอรูปพญาว่าตามมาติอัตตาขากแต่เิดนะอัตตาขวานะใที่ที่ัวยใจนี่คือมีสี่เ่นี่แหละแล้วก็มีรูปเหมือนกันเหมือนหนึ่งดอกมือหลวงข้างในมีมีไอ้ข้อ ท้องเล็กอ้ชูกลิ่บนหน้าแล้วสัตว์มัมีิศานะหรือใจหล่อเรียกว่าเออถ้าะไรน่าไหวนะอกว่าจิตกันแหละตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราถ้าถือตามพวกแลก็ถูนิยมเขาบอกว่าอยู่ที่มันหมองแตนี้มัดจิตจริงๆค่จะเป็นอย่างไรเขาจะตอบหขาอย่างไรเราก็ตอบเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนจิดอยู่ที่นห่นอยากไปลยก็อยู่ที่ตนี้อยากอย่ที่ตรงี้อยากไปจำเลยแต่ว่าอยู่ที่เล็กๆเวลาไม่เป็ใทรูขนาดไหนอ่ะเขาบอว่าฉันรู้ขนาดตาจิตก็อยู่หน้ เบอกเวลาได้เอมากระลาได้ยอะไรีเสงอะไรแหละยูไหนติดอย่เลยแต่ทํางนมู้จักไหนิดต่อยู่ไะรายกัได้กัน่อย่างนี้ะฮะแต่แบบนี้นะเขาจับไม่มั่นท่านในตายเขาล้ไปอยู่แบบนี้อให้อยู่ร้อห้าสิบสี่ท่านถามาว่านะฮะ ทำไมมหาปริญญที่ลาสิกขาไทยได้ดีบางคนจึงไม่ค่อยไหวกระเสงเลยหรือจะเป็นผู้มีส่วนของมาณหรือใครเอ่ยข้อนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบข้อนี้โดนครับเพราะเขเองก็ไม่เป็นมหาปริญญาไม่รู้ใจพวกที่ก็ไม่ไหวกระเสงจะเป็นเพราะอะไรจะไม่ทราบการถ้าจะตอบแต่จะเป็นการใบใจกันอาจจะติดก็ได้นะแต่ข้อนี้ตอไม่ได้ครับถามว่าทำไมที่ลาส่กขากระเสงเพราอะไรที่สุดสุดไปเนี่ยเป็นเพราะมาณหรือเป็นเพราะอะไรตอบผมจะไม่ทราบครับ เท่านจินทาวุธุรุวิขุณนะถามมาว่าการที่นักอิจิต่ปัญหาแบบนั้นเป็นการตอบที่ไม่ดีเป็นภัยต่อศาสนาเมื่อเป็นเช้นนั้นอาตมาคิดว่าอาจารย์งผู้หนึ่งที่รู้เรื่องของศาสนาดีชนะอาตมาขอให้อาจารย์เปิงผู้แต่ปัญหานั้นเพราะเมื่อไฟไม่อะไรเรียนจะรอให้พ่อแม่แบบโดยที่บรรดาลูกหลานไม่ดับไปก็ย่อไม่ได้หมดเพราะคนะเพราะเราคนบ้านเดียวกัน ใ่เปีย่ยงกันเองไม่ใช่เสียงกันเองะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีเข า, าคุณเจ้าลูกกับลูกหนึ่งตอบแม่้าไม่ใช่ผูก้าที่มีตอบก็ต้องมีูอื่ตอบไม่ข้าก็เลยผมผมยังมีการคิด อ, อย่างนั้นอยู่ยังมีการคิด อ, อย่างนั้นอยู่ครับ อ, อย่างกรณีในขัาพันเนี่ยก็นยังมีคนผู้หนึ่งหรือไม่ผู้าถึงมนาธิการในสิทธี์ยั่งรันแล้วก็เขาเอามาพิมพ์ลงด้วยเปการหมู่ย่องจาข้อรับสัตยาธิายครั บ, ป, รรบปันที่มีตอ่อข้สนา เพราะฉะนั้นอยากจะรอดูแล้วดูยะสามวันนี้จะมีผู้ใดตอบไปรืลานะฮะแล้วดูผลก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเทียงกันเมื่อเจถามาบอกว่าเมื่ออาจารย์เห็นว่าการออกเสียงพระพันยะฤทธวดอื่นร่วมกับพระจะทาให้พระต้องอาบัดตกควรแต่ถ้อาจารย์จะกรุณาว่าํานองหนึ่งพระพันยะและสองคำนองอื่น ไอเครืงบันทึกเก็บไวเป็นแบบเพื่อพระที่สูงจะจดจําไว้สอนสืบต่อไปจะได้รู้ไหมถามข้าได้ธนูนาอะอะไรฮะจัดชนิดละบาทหรือบทจัดสองสามบทจะดีมากเพราะเครื่องบันทึกกำลังเดินอยู่จะให้ผมว่าขับรถคันเนเออผมไม่ได้ขับมาทางตรวจทางพระคันยะอะไรที่ไหนเลยนี่ครับเพราะนี้ผมว่าท่านผู้ที่จะว่าโดยดีที่สุดก็คือท่านที่เคยคุ้นเคยจับํานองตรวจมาแล้วํานองว่ามาแล้วจะดีกว่าผมนะฮะ ถมจำได้แต่เียงนิหนอ่จะเป็นผู้ชื่างทางสวดอะไรมาจากไหนเวลาในยุคคารปฮะนักสวดก็หมดยุคไปแล้วอย่างนี้แล้วทีนี้จะไปขัดใครทำไมแต่ในวิถีทหานักสวดอุดขมาลายนี่าริฮาจะอในวิีไทยแล้วแต่เวลาเขาแ่งงานกันที่แค่เคยมีมีนพีวดเอาคาริฮาที่จะนักสวดไปสู่ขมาลายให้เจ้ า, า่าวเจ้าสายตังขมาลายเนี่ไม่ใช่เป็นของเปีตังนะแต่โดยวิคนนตังอมนคนตังหรอกไมจะสุรเีตังไปท่ายงอะไรเนี่ย เรามาตีหลังให้ทำเนียมันดีเลยตายไปสู่ผีปางเออเขามาบอกสุ่เข้ามาเราคนเร่ร่อมาแข่งครับอาจจะดูโก้แข่งขาตาเลยนีนยยังไม่ตายมุ่สเข้ามาไรเข้ามาลแต่บราสมัยบทยากับหน้ลตถึงอ่ะใส่งานที่ายแล้วใส่งานก็มเชิญเออไม่เยหัดตรวจมาตรวจทาไมสอนอูบาสาวให้ตัวหากุศลกันจะได้มีความสื่อตรงต่อกันเลยจ้าคดูนอกนอกใกันอี่ส่งสู่เข้ามาไ่ในงที่บนที่บาป บ่ายสาวฟังกันแล้วก็กลายเป็นคู่ครองที่เป็นคู่ครองตัวอย่างมีพฤติกรมดีรักกันทั้งสีไม้ไท้ายากกกองกระเบนแยกเพชรในกาทีน่นอกอนอกอกนอกใจเพราะเสีย พ, พนานามาลุกในพระมารายอ่ะสพาปนาสวรรค์ก็ อ, อยากจะตั้งอยากทำามำ ด, ดีเพื่อหวังจะเกิดในสวรรค์ันพระศรีอานตามที่ไรว่าไว้โดยการที่ให้นักตรวจมี่คนตวให้บ่า ส, ส, ส, ส, สาวฟังเื่อสีไม่ใด้เอามืงคนนะไม่ได้เอามืง ค, คนนะมนไม่ไเมืคคนนะ่อทำเม่อไม่เนะมื่แล้ว ปัญห้ต่าเมื่อถือยี่อามคนเลยเด๋ยวนี้มีเนท่าคในบ้านเอ้ามิสรูปเขาว่าเอาลเมคนเขาจะมาสวจถยมีนสรูปมาเออแต่ก่อนนี้ไม่เอาลมคนเลยคุณในเซมิทยก็เหมือนกันคุณหนคุณนเซมิไทยเวลาวจอะไร็สอคู่มหาสาวังเนียมหาสาวงมหาสาวังเวลาี่จะมีใครตวจได้แล้วมัยเก่ามหาชิตมลหนึ่งมหาสาวังหนึ่งคุณในเซมิยหนึ่งนคู่กันเวลาคนไม่สบายเจ็ดเรื หรอคำบุญต่ออายุหรือคำบุญอายุถึงแ ม, ม้ามาจ็บม่วยคำบุญอายุก็เถอะต้อตงมีมินพระมารวดสามสูตรนี้หาชาวาามมาวังหาธิกปมนลคุณนายกฤษีวดแล้วก็จอบอ่งางกลางเดี๋ยวนี้ทำานี้ไม่ ม, ม, มาตดวอดขาวาจะมาแข่งเอาตายจะมาอายัางมารดากหรือขล่นล้านเงินเงนพระมาสวดแบบนี้มั น, า ม, านมันเรียไม่เข้าใจของเ่าเขานต้องการวดเพืนกลงังหมาชาวังก็บอกว่าเพื่อนกาลังอพรมัน์ใหญ่อะหมาชาวังเนี่ยอาหมาที่ประมก็เหมือนกันเพื่อไม่ตายเป็นท แล้วคนในสังคมไทยเอ่ะก็เป็นต่ออจนจนจนายุโดยตรงจากรุ่สกดุกะเบระเบดอยูกนาวหนงแต่เมื่อหนึติติหเฮือตานต่ยไหลที่กุมาลาต่ยเหวี่ยงที่กระะถอนต่อยแข้งกะาตดก็หมดหมังสีก็เปลี่ยนข้ามองตายแน่แล้วจะต้องติดแล้วล้วนที่ติดคราวนี้ต้ไปเจอดินะเลเสือออกจากทเลตไปดิือีกหุณจไมาถทีลแต่ก็ไม่สบายใจต้องหาที่ถึงไปหาท้าจะกรับบาล เขอเป็นที่งหงที่ทแก้ไขสิดถอะเขาิะโทรมาหมดหมดมีกันดากแก้ผู้ไดละมหาวิา่หาณเลยคือพระเดชนาบุตรทีหมหาวิญญาณาอินมากไปเรอะเขาจะช่วอะไรท่านเงด่าแต่ท่ากนกำลังมองข้าคนณลุกขันไป น, นะเวลานี้พระพุทธ อ, องค์มาประทับแสดงธรรมอยู่บนดาวดึงค่นั้นแหละหาพระองค์ละือะรพระเดชบุตรก็ที่มหาวิตราพระตเจ้าึอแสดงอุปนิสยสติัฏฐานแสดงเสร็จคือพระเวก็ไปปฏิบัติเล่าต่ออายุไปอกสัะกลับนึบ่งทนต่อไปตั้งกลับหนึ่ง เพราะนั้นวิชาป่าพกิมาเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เล่ลาทครดีเด็กนะใครดีเดกก็ยูเนสโนวิชาเราเป็นี้แหลนอกพรวตกิโลกด้วยเนี่ย